Oh. เราถ้าไม่ได้มีพ่อแม่ที่ร่ํารวยหรือว่าภาพช้อนกันช้อนทองมาตั้งแต่เกิดเนี่ยก็ต้องรู้จักสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยการขยันหมั่นเพียรในการเร่ําเรียนการศึกษาจบการศึกษาก็ต้องขยันหมั่นเพียรในการทํางานรวมทั้งรู้จักเก็บพรอมรอมริบนะเป็นต้น จริงแม้จะมีพ่อแม่ที่ร่ำรวยก็ยังสมควรนะนที่จะต้องรู้จักสร้างเนื้อสร้างตัว ถ, ถ้ากินแต่บุญเก่าที่พ่อแม่สะสมมาให้นะมันก็ไร้รอไปในที่สุดแต่เพียงแค่สร้างเนื้อสร้างตัวยังมันไม่พอนะสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือการฝึกตนด้วยมาฝึกตนในทนี่นี่มันไม่ได้หมายถึงฝึกในเรื่องของ วิชาการหรือวิชาชีพยอย่างเดียวนะฝึกตนนี้ในที่นี่เนี่ยมันมันมีความหมายไปในทางธรรมะฝึกตนในทางธรรมสร้างเรสร้างตัวนี้มันมีความหมายในทางโลกนะหรือมุ่งหมายคือเพื่อมีงานมีเงินมีสถานภาพแต่ว่าคนนี้มันมีความหมายที่ ลึกไปกว่า น, นั้นในาศาสนาเนี่ยฝึกตนเนี่ยมันก็มีการวางขั้นตอนนะหรือว่าเป็นเป็นหลักเอาไว้แล้วนะฝึกตนที่ว่านี่คือไตรศิกขาศีล ส, สมาธิปัญญาหรือฝึกในเรื่องของกายวาจาเรื่องของความสัมพันธ์กับ ผู้คนและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งสินเสบข้าวของเครื่องใช้อันนี้เรียกว่าศีลต่อไปก็ฝึ ก, กจิตอันนี้บางทีเราก็เรียกว่าสมาธิก็ฝึกปัญญาจริงๆแม้จะเรียกว่าการฝึกตนเนี่ยเป็นเรื่องทางธรรมเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่ า, วามัน แยกขาดจากเรื่องการสร้างเนื้อสร้างตัวซึ่งเป็นเรื่องทางโลกนะเพราะว่าคนเราเนี่ยจะสร้างเนื้อสร้างตัวให้ประสบความสำเร็จได้เนี่ยมันก็ต้องมีการฝึกฝนในทางธรรมด้วยถ้าไม่ฝึกฝนในทางธรรมเช่นไม่มีศีลเนี่ยในที่สร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาอาชีพการงานก็ดีครอบครัวก็ดีที่ ร้างขึ้นมาก็อาจจะพังทลายได้เพราะว่าติดเหล้าติดการปนันหรือว่าไปทำชั่วติดพวกติดตารางเนี่ยการสร้างเนื้อสร้างตัวเนี่ยมันก็ต้องอาศัยการฝึกปนด้วยศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญานี่ก็มี กูบาจาราท่านเนี่ยคือถ้าเจะาพุทธท่านนี่ท่านสรุปง่ายๆนะก็คือสะอาดสงบแล้วก็สว่างนะสะอาดสงบสว่างสะอาดก็หมายความว่ากายวาจานิสะอาดสุดจริตเมื่อความประพฤติสุจริตเนี่ยก็เรียกว่ากายวาจานิสะอาดกายไม่ทำชั่วไม่ทำบาปไม่ดไม่ว่าด้วย กายหรือวาจาเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความสะอาดขึ้นมาเกิดความสุดจริตเมื่อกายวาจาสะอาดมีความประพฤติสุดจริตเนี่ยมันก็เกิดความภาคภูมิใจถ้าคนเราจะภาคภูมิใจในชีวิตที่ผ่านมาได้ก็เพราะว่ามีความประพฤติที่สุดจริตมีกายวาจาที่สะอาดสงบนี่ก็หมายถึงการฝึกจิตนะ สึกจิตให้ท่องใสไร้ความขุนัวหรือว่าเกิดความสงบเย็นปราศจากความรุ่มร้อนสว่างเนี่ยนั่นคือหมายถึงการมีปัญญาเข้าใจธรรมะเห็นธรรมะเข้าใจสัจธรรมความจริงของชีวิตไม่ใช่เชื่ อ, องไข่เนี่ยเชื่ อ, องตัวเองคือมันก็โยงกับเชื่ อ, องคนอื่น เม่มีปัญญาแล้วมันก็เกิดความแก้วกล้ามั่นใจในการดำเนินชีวิตเจอความผัน ผ, ลผลวนปวนแปลอย่างไรก็ไม่ประวัติพันพึงหรือว่าไม่ไม่เสียศูนย์นะเพราะรู้ว่ามันเป็นเช่นนั้นเอง เ, เกิดความรู้สึกโร่งโปร่งบาเพินอิสระความภาภูมิใจ ก็ดี่วมทั้งความอิ่มเอมใจที่ได้ทำความดีช่วยเหลือเกอื้อกูลผู้อื่นอันนี้ซึ่งก็จะเรียกว่าเป็นเรื่องของศีลความสงบเย็นผ่องใสไร้ความขุ่นมัวก็ดีความก้าวกล้ามั่นใจตอนมีปัญญาในการดำรนชีวิตก็ดีเนี่ยอันนี้ท่านก็เรียกว่าเป็นเป็นประโยชน์สุขประการหนึ่งนะ ทางธรรมะเขาเรียกว่าสัมประยะตระแปนตามตัวคือว่าประโยชน์ที่เลยขั้นตายเห็นบางทีท่านประโยชน์เบื้องหน้าบางทีก็แปลว่าประโยชน์ในภพหน้าแล้วก็มีครแต่ว่ามันเป็นประโยชน์ที่สัมผัสได้ในภพนี้แต่เป็นประโยชน์ที่สัมผัสได้ในทางจิตใจ ซึ่งต่างจากการมีงานมีเงินมีสถานภาพมี ค, มครอบครัวที่พาสุขมีสุขภาพดี น, นี่ยังเป็นประโยชน์ปัจจุบันเรียประโยชน์ชั้นต้นที่เคยพูดไปแล้วนะว่ามันคือประโยชน์ทั้งโลกซึ่งเกิดขึ้นจากการสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยความเกิด้อมรอมลิบแต่ว่าการฝึดตนเนี่ยมันนําไปสู่ประโยชน์สุขขั้นที่ลึกหรือขั้นที่สูงขึ้นไป สะอาดสงบสว่างนะอันนี้เป็นคุณลักษณะของหรือว่าเป็นผลของการฝึกตนตามหลักใจศึกษาถ้าคนจะไม่น้อยเนี่ยก็ใช้ชีวิต ท, ที่ประกอบไปด้วยศีลนะก็มีความประพฤติสุดจริตแต่ว่าถท่านั้นไม่พอเนี่ยมันต้องรู้จักฝึกจิตให้พบกับความสงบ แล้วก็ฝึกปัญญาให้เกิดความสว่างขึ้นมาหรือผู้อย่างก็คือว่าเกิดความสงบและความสว่างภายในภายนอกก็สะอาดภายในก็สงบแล้วก็สว่างซึ่งมันก็ต้องอาศัยการฝึกนะนะการฝึกไ่ใฝึกจิตฝึกจิตฝึกปัญญาฝึกจิตก็เรียกว่าสมาธิฝึกปัญญา ก, ก็เพื่อเกิดความสว่าง บางทีเราเรียว่าฝึกใจฝึกใจก็คือฝึกทั้งฝึกให้เกิดทั้งสมาธิและปัญญาหรือให้เกิดทั้งความสงบและความสว่างก็ฝึกใจให้เกิดความสงบเนี่ยนะมันก็มีหลายวิธีนะบางวิธีนี่ก็มุ่งให้เกิดความสงบโดยตรงเลยเช่นสงบจากความรุ่มร้อนสงบจากความโกรธความเกลียวนี่ก็เรียกว่า การเจริญเมตตาภาวนาการแผ่เมตตาการเจริญเมตตาภาวนานี้ก็ทำให้เกิดความสงบขึ้นมาหายรุ่มร้อนหรือว่าเกิดความกลัวเกิดความกลัวนี่ก็บางคนก็ใช้วิธีการสวดมนต์สวดมนต์เราเลิกถึงพระรัตน์ไตร จเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติศรัทธาที่เกิดขึ้นในพระตนตรัยเนี่ยมันก็ทาให้มีที่ยึดเหนี่ยวเกิดความอบอุ่นใจขับไล่ความกลวกไปก็เกิดความสงบการภาวนาที่หรือการฝึกจิตให้เกิดความสงบเนี่ยมันทำได้หลายแบบนะเช่นเดีบวับการ ฝึกปัญญาให้เกิดความสว่างและทั้งความสงบและความสว่างเนี่ยบางครั้งก็วิธีการ ค, คล้ายกันอย่างเช่นการตามลมหายใจหรือตามปานสติเนี่ยจะทําเพื่อเกิดความสงบก็ได้เช่นเอาจิตไปแนบอยู่กับลมหายใจที่เข้าและออกจิตเมื่อมันไม่ ไม่ไหลไม่ฟุ้งไปทางไหนเนี่ยจิตมันอยู่กับลมหายใจมันก็สงบแต่ว่าจะทำให้จิตให้เกิดปัญญาเกิดความสว่างอาศัยการตามลมหายใจก็ได้เหมือนกันน ะ, นะเช่นเห็นลมหายใจนี่มันมันเข้าและออกมันสั้นมันยาว การเห็นความแปลเปลี่ยนองรมหายใจเนี่ยไม่ว่าเข้าและออกหรือว่าสั้นหรือยาวเนี่ยมันก็ทำให้เกิดปัญญาได้เหมือนกันนะคือเห็นอนิจจังสว่างเนี่ยกเกิดจากการที่เห็นสัจธรรมความจริงอาจจะเห็นจากเห็นความจริงองรมหายใจที่มันสะท้อนอนิจจังนะให้เราเห็น บางทีของบางคนตลัลอหายใจเนี่ยเพื่อให้เกิดความสงบแต่บางคนตัดลมหายใจเนี่ยเพื่อให้เกิดปัญญาให้เกิดความสว่างมันมีวิธีการบางอย่างนะที่เราจะเคยได้สาธยายเนี่ยเช่นการพิจารณ า, าการส2เนี่ยให้เห็นว่าร่างกายนี้มันประกอบด้วยขนหนังฟันเล็บผมจะว่ามันเป็นไปเพื่อความสงบก็ได้นะ โดยเพราะเวลาจิตมันเกิดราคะเกิดตัณหาขึ้นมาตอนนั้นเนี่ยมันจะรุ่มร้อนเพราะว่าตัณหาเนี่มันเหมือนกับไฟเหมือนมันกับไฟที่เผาใจนี้พอพิจารณาให้เห็นถึงความความไม่งามของร่างกายไอ้ตัณหาที่มันปรารถนาหรือเกาะเกี่ยวในร่างกายเพราะเห็นแต่ความสวยความงามมันก็แปลเปลี่ยนไป ที่เราพิจารณาเห็นความแมงงามของร่างกายว่ามันประกอบไปด้วยส่วนประกอบต่างๆตับตายไส้ผุงเนี่ยพอเห็นแล้วนี่มันก็ทำให้ตัณหาราคานี้อ่อได้สิ่งที่ตามมาคือความสงบแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเราจะใช้การพิจารณาร่างกายหรืออวัยวะซึ่ง มีสาประการเนี่ยเพื่อทำให้เกิดสว่างก็ได้นะคือเห็นว่าร่างกายนี้มันมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมันไม่มีตัวไม่มีตนมันเกิดขึ้นจากการประชุมกันหรือการประกอบกันของอวัยะต่างๆเล็กน้อยทั้งใหญ่ทั้งน้อยทั้งของเหลวทั้งของอที่จับต้องได้ของแข็ง เมื่อเอาสิ่งหรือส่วนประกอบเหล่านั้นออกไปทชืออย่างเชืออย่างก็เหลือแต่ความว่างนะไม่มีร่างกายเหลืออันนี้เรียกว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนพิจารณาแบบนี้ก็เกิดปัญญาหรือเกิดความสว่างขึ้นมาได้เหมือนกันนะวิธีการเดียวกันแต่ว่ามองต่างกันหรือว่ามีท่าทีหรือการวางใจต่างกันมันก็สามารถจะนําไปสู่ ความสงบก็ได้นำไปสู่ความสว่างก็ได้ที่จริงอย่าว่าแต่อะไรเลยนะแนเรต่องการฟังธรรมเนี่ยบางคนฟังเพื่อเอาความสงบฟังธรรมเนี่ยมันกล่อมกลาวใจให้สงบเพราะในยามนั้นเนี่ยจิตมันไม่คิดเรื่องงานเรื่องการไม่ต้องไปห่วงเรื่องลูกเรื่องหลานไม่ไปนึกถึงเพื่อนบ้านซึ่งก่อปัญหา เพรใจเนี่ยน้อมอยู่กับคบํญญาบรรยายธรรมะซึ่งเป็นเรื่องดีงามใจก็สงบบางคนนิยมฟังธรรมก่อนนอนเพราะว่าฟังแล้วเนี่ยหลับสบายแต่ก็มีหลายคนนะฟังธรรมเพื่อเกิดปัญญาเกิด ค, ความสว่างธรรมะกันเดียวกันบางคนฟังเพื่อความสงบแต่บางคนฟังเพื่อ ฟังแล้วเกิดปัญญาเกิดความสว่างอันนี้มันขึ้นอยู่กับวิธีการฟังหรือว่าการวางใจวิธีการฝึกจิตเพื่อทำให้เกิดความสงบเนี่ยนะมันก็มีชื่อเรียกนเรียกว่าสมถะสมถกรรมฐานส่ว น, นวิธีการฝึกจิตที่ทำให้เกิดความสว่างหรือเกิดปัญญานี่ก็มีชื่อเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานอันนี้ก็เป็นคาที่ หลายคนก็คุ้นอยู่แต่บางทีอาจจะไม่เข้าใจความหมายหมายถึงอะไรกรรมฐานเหมือนกันบางคนไปเข้าใจก็ทั้งว่าเนี่ยเมื่อพูดถึงการฝึกจิตแล้วเนี่ยก็หมายถึงวิปัสสนากรรมฐานอย่างเดียวเลยแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันยังมีสมถะกรรมฐานด้วยสมถะกรรมฐานนี่ก็เป็นการฝึกจิตเพื่อเกิดความสงบนะวิปัสสนากรรมฐานเป็นการฝึก จิตหรือฝึกปัญญาให้เกิดความสว่างในทางศาสนาเนี่ยนะฝึกจิตให้เกิดความสงบอย่างเดียวไม่พอนะมันต้องไปให้ถึงความสว่างด้วยนเนี่ยเนี่ยสีเนี่ยจึงไม่ได้มาหยุดที่สมาธิแต่ว่าต้องต่อด้วยปัญญาเมื่อเราฝึก ให้เกิดความสงบแล้วเนี่ยจะต้องกล้าไปสู่การฝึกหรือสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นจนกระทั่งเกิดความสว่างภายในนะผู้อยญ่เนี่คือว่าสมถกรรมฐานนี่ก็เป็นเป็นพื้นฐานเป็ น, เ ป, นเป็นบาตฐานที่นําไปสู่วิปัสสนากรรมฐานเพราะว่าจะเห็นอะไรเห็นความจริงที่ชัดเจนเนี่ยมันต้องอาศัยความสงบ ความสงบช่วยทําให้เกิดปัญญาต้นมันเอื้อต่อการใคร่ครวญก็เหมือนกับสมัยที่เราเรียนหนังสือนะฮะห้องเรียนมันต้องสงบนะถ้าห้องเรียนเนี่ยข้างนอกมันเสียงดังนะเสียงรถเสียงราเสียงมอเตอร์ไซค์นักเรียนก็ไม่มีสมาธิในการเรียนเพราะไม่มีสมาธิในการเรียนมันก็ไม่เกิดปัญญา อันนั้นเรื่องปัญญาทางโลกนะหรือความรู้ในทางโลกความรู้ในทางธรรมนะหรือว่าการเข้าใจสัจธรรมเนี่ยเราต้องอาศัยใจที่สงบด้วยแล้วก็เปรียบว่าเหมือนกับการที่เราจะเห็นน้ําว่าในลำธารเนี่ยมันมีมีอะไรบ้างในลำธารเนี่ยน้ําันต้องใส อันนี้เ่าก็เปรียบว่าถ้าใจสงบเนี่ยมันก็เกิดปัญญาเห็นความจริงของใจนี่จริงไม่ใช่ของใจเดียวของกายด้วยคราวนี้เนี่ยทาคนก็แต่โดนไม่น้อ ย, นยพอมาสนใจธรรมะสนใจการภาวนาเนี่ยก็มุ่งจะให้เกิดอยากจะไปให้ถึงวิปัสสนากรรมฐาน แต่ว่าไม่เข้าใจวิปัสนาคืออะไรหลายคนม า, มาฝึกวิปัสนาบอกว่าอยากจะมาฝึกวิปัสนาแต่ว่าใจจริงเนี่ยต้องการความสงบนั้นพอมาฝึกแล้วเนี่ยใจไม่สงบนี่ก็เกิดความหงุิดขึ้นมาทาไมใจไม่สงบสักทีนที่จริงเนี่ยวิปัสนานี่าไม่ได้มุ่งให้เกิดความสงบ แต่ว่ามุ่งให้เกิดความสว่างก็คือว่ามีปัญญาเห็นความจริงของกายและใจไม่ว่าความจริงนั้นมันจะเป็นอะไรก็ตามและการที่เห็นความจริงได้เนี่ยมันก็ต้องเห็นนะว่ามีอะไรเกิดขึ้นที่ใจรู้ว่ามีความรู้สึกใดเกิดขึ้น แต่หลายคนเนี่ยพอมาภาวนามาตั้งใจว่ามันจริวิปัสสนาแต่พอแต่ด้วยความมุ่งหวังว่าจะเกิดด้วยความมุ่งหวังให้เกิดความสงบไม่ได้คิดที่ให้เกิดความสว่างหรือเกิดปัญญาพอมันมีความฟุ้งซ่านก็เกิดความหงุดหงิดเกิดความหงุดหงิดแล้วก็ยังไม่รู้นะ ว่ามีความหงุดหงิดไม่รู้ตัวไม่เห็นความหงุดหงิดที่เกิดขึ้นในใจแในที่หมความหงุดหงิดที่เกิดขึ้นในใจเพราะว่ามันไม่เห็นความฟุ้งที่เกิดขึ้นตั้งแต่แรกในเมื่อไม่เห็นความหงุดหงิดเกิดขึ้นในใจไม่เห็นความฟุ้งเกิดขึ้นในใจแล้วเนี่ยมันจะเป็นวิปัสสนาได้อย่างไรเพราะวิปัสสนาเนี่ยพื้นฐานวิปัสสนาคือการเห็น เห็นความจริงที่เกิดขึ้นไม่ว่าบวกหรือลบวิปัสสนากรรมฐานกับสมาธกรรมธะเนี่ยมันมันมีความแตกต่างกันหลายอย่างแม้ว่าดูภายนอกเนี่ยจะเหมือนกันเช่นเดินจงกรมตามลมหายใจหรือแม้แต่ยกมือสร้างจังหวะจะบางคนเดินจงกรมเพื่อเอาความสงบขณะที่บางคนนเดินจงกรมเพื่อเอาความสว่าง คือเพื่อเห็นกายและใจอย่างที่มันเป็นนไม่ใช่อยากจะให้ใจมันเป็นอย่างที่ควรจะเป็นหรืออย่างที่อยากให้เป็นทั้งส่วนใหญ่เวลาคนที่มาฝึกสมาธิกรรมฐานเนี่ยมันอยากให้ใจเนี่ยเป็นอย่างที่ควรจะเป็นควรจะเป็นคืออะไรคือสงบเพราะฉะนั้นพอไม่สงบเนี่ยก็พยายามบังคับใจให้เกิดความสงบ พยายามทำหลายวิธีเช่นบังคับจิตให้อยู่กับเท้าแต่ละก้าวแต่ละก้าวให้อยู่กับมือที่ยบให้อยู่กับลมหายใจที่เข้าและออกในการฝึกสมถะกรรมฐานเนี่ยมันจะมีการพยายามบังคับจิตนะเพราะว่าปรารถนาอารมณ์หรือความรู้สึกบางอย่างซื่งนั่นคือความสงบคือความปิติคือความปลอดโปร่ง แต่อารมณ์ความสึกบางอย่างก็ไม่เอาไม่ปรารถนาเห็นความฟุ่งซ่านความโกรธความหงุดหงิดนะมันมีการเลือกที่รักบางที่ชังถ้าเราจเจริญสมถกรรมฐานเนี่ยมันจะมีการแบ่งแยกนะว่าอย่างนี้ฉันเอาอย่างนี้ฉันไม่เอาถ้าสงบฉันเอาถ้าฟุ้งฉันไม่เอาถ้าโตงโรงเอาแต่ถ้าเกิดว่ามันหนักไม่เอา แต่ว่าจิตมันบังคับไม่ได้เนี่ยนะพอมันฟุง้งพอมันหนักทํายังไงก็ต้องพยายามบังคับจิตหรือว่าผักสายอารมณ์เหล่านั้นออกไปซึ่งบางครั้งก็หรือบ่อยครั้งก็ทําให้สําเร็จยิ่งเกิดความเครียดเข้าไปใหญ่แต่บางคนก็สามารถทําได้นะจิตก็สงบแต่ก็กลายเป็นติดในความสงบนะพอไม่สงบขึ้นมาก็ เกิดความไม่พอใจในต่างจากวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยบุงที่ให้เกิดปัญญาปัญญาคือเห็นความจริงของกายและใจไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับกายและใจก็ล้วนแต่ดีทั้งนั้นเพราะว่ามันะแะลรงกำลังแสดงสัจธรรมให้เห็น ปวดเมื่อก็ดีเหมือนกันนะเพราะมันแสดงให้เห็นถึงทุกขงังมีความฟุง้งซ่านมีความหมุดหงิดมีความขุ่นมัวางแง่สัจธรรมแล้วมันก็สอนธรรมหรือแสดงสัจธรรมไม่ต่างจากความปโปร่งโล่งสงบเย็นนะมันแสดงให้เห็นถึงอนิจจังทุกขังอนัตตา เพราะอารมณ์พวกนี้เนี่ยไม่ว่าลบหรือบวกเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงแล้วมันก็เสื่อมสลายไปในที่สุดแล้วมันก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราความสงบก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราควบคุมบังคับไม่ได้อยากจะให้มันอยู่กับเราไปนานๆก็ไม่ได้ความว่าวุ่นพุ่งซ่าเนี่ยก็ไม่ใช่ของเราอยากจะผักสายมันออกไปมันก็ไม่เชื่อเรามันล้วนแต่แสดงนะสัจธรรมให้เราเห็นแล้วเนี่ย คือไม่มีการเลือกที่รักมากที่ชังนะถ้าเป็นวิปัสสนาเนี่ยอะไรเกิดขึ้นมาก็แค่รับรู้ยอมรับและเรียนรู้ที่จะเห็นมันด้วยใจที่เป็นกลางอย่างที่ครูบาอาจารย์ใช้คำว่ารู้ซื่อเนี่ยรู้ซื่ อ, อรูอ เ, เห็นมันเห็นมันโดยไม่ผักใสแล้วก็ไม่ไม่ไหลาตามและจะเป็นอารมณ์อกุศลก็ไม่ผักใสแม้จะเป็นอารมณ์ที่ เป็นบวกสงบเย็นก็ไม่ไหลไปตามอารมณ์นั้นวิปัสสนาเนี่ยนะเนื่องจากว่ามันเป็นวิธีการที่เราบุงเพื่อที่จะเห็นความจริงของกายและใจเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่มีการไปบังคับใจว่ามันว้าบุ้นนะต้องให้มันสงบนะมันมีความคิดอกุศลต้องทำให้มัน ให้มันคิดเป็นกุศลนะใจมันไม่ค่อยเดียวทำให้มันดีนะไม่แค่ดูมันเฉยเฉยไม่ต้องไปบังคับมันแล้วเพราะว่ามันจะมีอารมณ์ใดเกิดขึ้นก็แค่รู้ดูมันเฉยเฉยเพราะฉนั้นเนี่ยมันก็เลยทําได้ทุกที่นไม่เป็นว่าต้องอาศัยที่ที่สงบสงบไม่เมื่อการทําสมถะกรรมฐานเพื่อใหจสงบเนี่ยมันอาศัยต้องอาศัยสิ่งว่าล้อมมาก ซึ่งก็จำเป็นนะเพราะว่าสาหรับผู้ฝึกใหม่เนี่ยต้องอาศัยสิ่งวารถุเป็นตัวช่วยาการปฏิบัติแบบหลงพ่อเทียนเนี่ยท่านแม้ว่าจะไม่ได้เน้นเอาอความสงบจะมุ่งให้เกิดปัญญาซึ่งบางทีก็เลยเป็นวิปัสสนากรรมฐานแต่ว่า เวลาทำไปทำไปเนี่ยมันก็จะเกิดความสงบ ข, ขึ้นมาเองนะสงบเพราะอะไรเพราะว่ามีสติเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นมีสติเห็นความคิดเห็นแล้วก็วางเห็นแล้วก็วางความโกรธเกิดขึ้นความงุ่ยเกิดขึ้นก็เห็นมันเห็นแล้วก็วางไม่ใช่ว่า ปฏิบัติแล้วมันไม่มีความหดหดไม่มีความว้าวุ่นฟุ้งซ่านนะมันมีแต่ไม่เอาเนี่ยไม่เอาเพราะว่าส ต, ติเนี่ยมีกําลังพอที่จะเห็นรู้ทันแล้วก็วางอันนี้พอวางเนี่ยมันก็เกิดความสงบไอ้ตรงนี้มันยังเป็นสมสถะอยู่นะมันยังไม่ใช่วิปัสสนานะความสงบที่เกิดขึ้นเนี่ยในขั้นนี้ยังเป็นสมสถะอยู่ บางคนไม่เข้าใจจะไปคิดว่าโอ้ยนี่วิปัสสนาแล้วที่จริงไม่ใช่มันจะเป็นสมถตต่อเมื่อมีสติเห็นอารมณ์มาแล้วกว็ไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์เหล่านั้นเห็นว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเห็นว่ารูปนี่ไม่ใช่เรา เห็นว่านามเนี่ยไม่ใช่เราเห็นว่าไม่มีเราตั้งแต่แรกเลยนะเรียกว่าเห็นรูปนามนะเห็นรูปนามคือเห็นรูปและนามโดยที่ไม่ยึดว่าเป็นเราเป็นของเราแต่ก่อนเนี่ยเวลาเดินก็ฉันเดินเวลานั่งก็ฉันนั่งมีแต่ตัวฉันมีแต่ตัวกูเวลามีความคิดก็กูคิดเวลามีความโกรธก็กูโกรธ มีตัวกูตลอดเลยแต่ตอหลังพอมีสติก็เห็นว่าเออมันเป็นเรื่องของรูปเป็นเรื่องของนามมีสติเห็นกายทํางานมีสติเห็นใจทํางานแต่ไม่ใช่เราอเ น, นี้เรียกว่าเป็นวิปัสสนาแล้วล่ะแต่ตราดใดที่มันยังอยู่ในภาวะที่ยังสงบอยู่นะสงบเ พ, เพราะเพราะปล่อยเพราะวางเพราะรู้ทันความคิดเนี่ยอันนี้นยังเป็นสมถะอยู่นะอย่าเพิ่งพอใจแค่นั้นแล้วยิ่งไปยึดความสงบด้วยนี่ยิ่งแยกเข้าไปใหญ่ แต่ว่าถ้าว่ามีความสงบแล้วเนี่ยนะไม่ติดในความสงบแต่ว่าภาวนาต่อไปจนกระทั่งเห็นรูปเห็นนามหรือว่าเห็นอ น, นิจจังทุกขังนักตาจากกายและใจรูปและนามที่มันแสดงออกมาให้เราเห็นอันนี้จึงจะเริ่มเป็นพิจารณาเน้นทำแล้วเกิดความสงบนี่ก็อย่าเพิ่งจบเท่านั้นนะต้องทําให้สว่างนะเกิดขึ้นกับปัญญาของเราด้วย อันนั่นแหละมันถึงเรียกว่าเป็นวิปัสสนากรรมฐานแต่ถึงจะยังไม่ใช่วิปัสสนากรรมฐานก็ไม่ใช่ว่าสมถกรรมฐานมันก็จะไปเรื่องขี้เละนะก็ยังควรทำแต่ทำก็ควรรู้ว่าเนี่ยมันเป็นบาตรฐานที่นำไปถวิปัสสนาได้เอาอย่างนี้ผู้ชนนี้นะับ